ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่สี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3พสาธรรมชาดกแผ่นที่สี่ให้คติธรรมว่านัตถิวิชาสมังมิตตัง